คุทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะเรามาพบกันอีกนะคะในครอบครัวข่าว FM ร0อยหหรือว่าที่หนึ่งศูย์ห Family News Application ที่เอาไว้รองรับคนในยุคนี้ที่มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะรายการของเราสม่าเสมอมานานแล้วในลักษณะที่เป็นถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เพราเป็นซอฟต์แวร์นะคะคือเราเป็นรายการส่วนจะไปทางไหนอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของทางที่ผู้ บริหารสื่อที่รายการนี้ม า, อ, าออกศหลักก็คือที่106ครอบครัวข่าวนะคะรายการเราเริ่มต้นด้วยการนำท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมภายใต้พุทธวจนะที่พระศาสดารรตรัสไว้ซึ่งในสัปดาห์นี้พระชาจาไพบูลอพิปุญโ น, นะคะก็จะเป็นผู้ที่มานำพวกเราก่อนที่จะพบกับท่านมาในสัปดาห์ถัดไปตอนนี้เราไปพบกับพระไพบูลอภิบุนโนวัดป่าดอนหายโดรธานีกันเลยค่ะ ท่านคะ่ะเชิญพานวันนี้ต้องการพูดถึงเรื่องของความขี้เกยียจกับความขยันมาเปรียบเทียบกันให้ฟังนะครับทุเช้าเปรียบเทียบกันสองคนนั่นคือภิกษุรูปหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเจอเหตุการณ์เดียวกันนะคนขี้เกยียจจะทํำยังไงคนขยันจะคิดยังไงจะทํำยังไงในเหตุการณ์เดียวกันนะฟังตรงนี้ได้ข้อแก้ตัวของคนขี้เกยียจก่อนนะเอาคนขี้เกยียจก่อนทกุกเช้าตรัสอย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลาย ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน8ดอย่างเหล่านี้มีอยู่คือในกรณีนี้การงานที่เธอจะต้องทำมีอยู่เธอนั้นกับมีความคิดอย่างนี้ว่าการงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำแต่เมื่อกระทำการงานอยู่กายก็จะเหน็ดเหนื่อยเอาเถิดถ้ากไกรเราจะนอนเสียดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำใหถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำใหแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำใหแจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่หนึ่งปิจิตทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือการงานอันเธอกระทำเสร็จแล้วมีอยู่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้กระทำการงานแล้วก็เมื่อเรากระทำการงานอยู่กายก็เหน็ดเหนื่อย เถิดถ้าอะไรเราจะนอนเสียหนังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระตำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระําไม่แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียรคร้านข้อที่สองปิกสุทงหลายข้ออื่นยังมีอีกหนทางอันเธอต้องเดินมีอยู่เธอนั้น มีความคิดอย่างนี้ว่าหนทางเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินแต่เมื่อเราเดินทางอยู่กายก็จะเหน็ดเหนื่อยเอาเถิดถ้าอะไรเราจะนอนเสียดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียตคร้านข้อที่สาม ปิจุตตงหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเลวหรือประนีตเต็มตามที่ต้องการเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเต็มตามที่ต้องการกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยทําอะไรไม่ได้เอาเถิดถ้ากระไรเราจะนอนเสียหนังนี้เธอานั้นก็นอนเสีย ไม่ราอความเพียนเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่ห้ิทีสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเที่ยวสแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมได้อาหารเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวสแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมได้อาหารเต็มตามที่ต้องการแล้ว กายของเราก็เป็นกายที่หนักเหมือนเมล็ดถั่วถูกแช่น้ําพองทําอะไรไม่ได้เอาเอถิดท่าอะไรเราจะนอนเสียดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารศความเพียร น, นี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียรคร้านข้อที่หกพิสูจทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอาพาธคืออาการป่วยเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วแก่เธอมีอยู่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า อาการป่วยเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วแกเรามีข้ออ้างเพื่อจะนอนมีเหตุผลควรที่จะนอนเอาเติดท่าอะไรเราจะนอนเสียหนังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารคความเลียนนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียรคร้านข้อที่7จ็ิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเป็นผู้หายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานมีอยู่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราหายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานกายของเรายังอ่อนเพลียยังไม่ควรจะทำอะไรเอาเอถิดท่าใครเราจะนอนเสียเธอนั้นก็นอนเสียไม่บราลบความเปี่ยนเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำใหถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระํำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระํำไม่แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกลคร้านข้อที่8ปเหล่านี้แหละคือที่ตั้งแห่งความเกคร้านแอย่าง ดังนี้นี่คือตัวอย่างของคนที่จะเป็นคนขี้เกียจเราได้พูดถึงตรงนี้แล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังในตอนต่อไปค่ะนะคะกเ็เป็นนั้นว่าเราได้ฟังประสูตรไปแล้วเดี๋ยวมาพบกับการอธิบายขยายความในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะกันนะคะกับรายการสันสนีสนทนาเช่นเคยคะ่ะ